ผูท้ทว่าสวัสดีคะ่ะท่านฟังที่เคารพค่ะนี่คือรายการสัสนสัญญ์สนทนานะคะที่ชั้นสัสนสีหน้าโคงเปผู้ดำเดนเินรายการรายการนี้ออกอากาศเป็นประจําค่ะที่สถานีที่ยุคครอบครัวข่าว fm ฟเอรอยหในส่วนที่เป็นรายการนี้ก็มีตั้งแต่วันจันทน์นะคะโดยจันทรถึงพุธนั้นจะเป็นพระหมหาภัยบุญอภิปุนโนท่านมาพบท่านฟังท่านเดียวส่วน วันพฤหัสบดีกับวันศุกร์จะเป็นในลักษณะของการสนทนามีดิฉัน ส, สัญญาภพได้ร่วมสนทนากับพระมหาภัยบุญอภิปุโนจากวัฏป่าดอนหายโศกอุดรธานีซึ่งเป็นวัดที่มีการจัดปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกเดือนดังนั้นถ้าใครสนใจจะไปปฏิบัติธรรมที่ใดสักแห่งหนึ่งแล้วก็อยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรที่นั่นจะใช้พุทธพจน์เป็นแก่หลักสําคัญเลยนะคะในการที่จะ ทำให้พวกเราได้ฝึกปฏิบัติพร้อมทั้งเหมือนกับฟังคําสอนจากพระพุทธเจ้าในแต่ละช่วงแต่ละช่วงประกอบกันไปด้วยเลยทีเดียวมีพระสูตรจะมาให้พวกเราได้เรียนรู้กันเป็นกว่า200รพระสูตรมั้งคะหรือมากกว่านั้นเดี๋ยวไปกราบนม้มสักการถามท่ า, ทานเพบูล น, นะคะน้มสักการกับท่านคะเชิญพานค่ ะ, คะท่านใช้กี่พระสูตรคะในเวลาสอนโอ้ทำไมาไม่ได้นับเลยคุณโยมติว น, น่าจะเป็นหลายร้อยพระสูตรค่ะเพราะว่า ดิฉันเนี่ยอิ่มมากเลยเวลาไปประสูตรเยอะแล้วก็กอิ้มจนบางคนอ้วกเลยละ่ะไม่ถึงขนาดนั้นคะ่ะแต่บางเวลาเพลิหลับแกลกกันนะคะอืมฟังเพลอนเคะ่ะฟังแล้วสุดหนาเข้าผวังอย่างอื่นที่ไม่ใช่ผวังที่ควรจะเป็นค่ะก็อยากจะกลับเรียนถามท่านเหมือนกันนะคะถึงเรื่องการปฏิบัติที่ว่าเอบางทีนั่งปฏิบัติมานานๆอื เป็นเวลาเป็นปีๆละแต่ว่าก็ไม่ได้ทำในแต่ละวันมากมายเกินไปประมาณวันละครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วบางทีก็มีความรู้สึกว่าเกิดสมาธิแต่ระยะหลังๆจะเป็นลักษณะที่เรารู้สึกว่าจิตเนี่ยไม่ได้มีสมาธิอยู่กับลมบ่อยมากเลย คือไปคิดเรื่องอื่นเรื่องอื่นบ่อยมากจนรู้สึกเหมือนกับว่าเมื่อนั่งสมาธิเสร็จแล้วเอ๊ะการนั่งสมาธิของเราเนี่ยก้าวหน้าหรือไม่มเพราะว่าการทำมากควรจะก้าวหน้าตามเวลาแต่ทำไมเราถึงยังรู้สึกอยู่ประมาณอย่างนี้อันนี้ถือว่า คุณภาพต่าลงหรื อ, อยังไงคะท่านคะมันอยู่ที่เราต้องดูเพระาะบางทีความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าจิตเราไม่เป็นสมาธิก็ได้เพราะว่าสมาธิแบบที่มีความคิดก็มีค่ะ่เนี้ยต้องแบ่งแยกประเด็นต้องดูที่เหตุปัจจัยแต่ว่าเหตุปัจจัยที่ทําให้มีสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยเราได้สร้างไหมคือถ้าเราไม่ได้สร้างแล้วมันไม่ได้เป็นอารมณ์มันเดียวอันนี้แสดงว่ามันเสื่อมลงเสื่อมลงก็คือแย่ลงนะแย่ลงก็คือไม่ดีละ่นะเป็นอนขาดลง แต่ถ้าเหตุปัจจัยเราเราสร้างแล้วอย่างดีทำตรงนั้นตรงนี้แต่มันยังมีความคิดอยู่อาจจะอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าเรามีสติมากขึ้นและมีสติในการที่เห็นจิตของตัวเองมากขึ้นทําให้เราฉลาดในวราระจิตของตัวเองมากขึ้นนะรู้ว่าเราคิดอะไรไม่คิดอะไรอันนี้จะเป็นอาจจะในลักษณะนั้นก็ได้คือรู้รตัวเองมากขึ้นค่ะอย่างไรคะที่เรียกว่าเหตุปัจจัยสร้างดีหรือเปล่าโอเคอย่างเช่นว่าเรารู้ประมาณในการบริโภคไหม เราไม่กลุกกรีด้วยหมู่ยินดีในการหลีกเล้นอยู่เป็นผู้ที่มีความสังวรสำรวมอินทรีย์มีการฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆมีการสอบถามทวนถามไต่ถามปัญหาแล้วก็ยังรวมถึงการที่นอนยามเดียวเนะการรักษาศีลการเสพพบกับเพื่อนที่ดีๆอันนี้จะช่วยได้ทั้งสิ้นเลยค่ะรู้ประมาณการบริโภคไม่ยินดีด้วยหมู่ใช่การอยู่<ำ>ป่าเป็นต้น ค่ะการลีกเก้นถูกไหมคะ<ช>สังวรสังวรอ<ช>ินซ <in C. S 2> ีสำรวมอินซีสำรวมอินซีในกรณีเนี้ยมาก็เคยเจอผู้ปฏิบัติธรรมหลายคนคมาปฏิบัติธรรมเนี่ยน ะ, ะอยู่เจ็ดวันสิบวันแล้วพอกลับบ้านไปเนี่ยแล้ ว, ล ว, ลวตอนที่อยู่ในวันนี้ก็ปฏิบัติดีด้วยแต่ทําได้เองดีมีจิตสงบอะไรต่างๆทีนี้พอกลับบ้านไปเนี่ยเฮ้ะทำไมรู้สึกว่าตัวเองโกรธมากขึ้นกลับบ้านไปไม่พออาทิตย์หนึ่งอะ่ะในช่วงอาทิตย์แรก แในช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโกรธมากขึ้นโกรธกว่าตอนก่อนที่มาวัดด้วยซ้ำเออเป็นแบบนี้ก็มีแ้่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทั้งที่ว่าเขาก็ปฏิบัติได้อย่างดีคือมันอา จ, จะเป็นกรณีนี้ตรงที่ว่าเอ่อจากเราที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนก่อนที่จะมาวัดเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยรู้อะไรเพราโกรธโกรธปุ๊บก็ปรีดออกไปเลยนะด่าไปเลยไม่แยแสไปเลยหรือแบบว่าระเบิดตุ้มไปเลยนะจากทั้งหมด10ครั้งอาจจะรู้ตัวแค่สองครั้ง อันนี้คือคนที่เขาไปยังไม่เคยฝึกปฏิบัติทีนี้พอมาฝึกปฏิบัติทํามแล้วเอาเราตัดผัสส ะ, ะอะไรต่างๆที่มันจะบังเกินใจออกกินอาหารพอประมาณอยู่หลีกเร้นไม่สูงสิงกับใครฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆรักษาศีลให้ดีตื่นนอนเป็นเวลาฟังธรรมะอยู่เป็นประจำเขาเขาปฏิบัติทรรได้ถูกไหมจิตตั้งขึ้นมาได้จิตเป็นสมาธิทีนี้พอกลับบ้านไปทีนี้กลับบ้านไปเจอภาษาแบบเดิมๆก่อนที่จะมาวัดจากการที่จะ เอ่อทำไม่มีความโกรธ10ครั้งเนี่ยแล้วก็รู้ตัวแค่2ครั้งเนี่ยก็รู้ตัวเพิ่มขึ้นมาเป็น8ครั้งค่ะแต่ใน8ครั้งนี้ที่รู้ตัวขึ้นมาเนี่ยละไม่ได้เลยสักครั้งเดียวก็ยังปีติอยู่แต่รู้ตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยถึง8ครั้งค่ะจากที่รู้ตัวสองครั้งและนี่คือโกรธทั้งหมด10ครั้งนะตอนแรกก่อนมาวัดฝึกปฏิบัติรู้ตัวแค่2ครั้งแต่พอหลังจากกลับไปบ้านแล้วรู้ตัวเป็น8ครั้งแต่ก็ยังละความโกรธไม่ได้หรอกแต่รู้ตัวมากขึ้นเลยทาให้้้านโกกรธมขึ แต่จริงๆแล้วมีสติมากขึ้นอ๋อค่ะออันนี้อาจจะเป็นกรณีนี้หรือเปล่าอยู่ที่ว่าเหตุปัจจัยเราสร้างมายัางไงด้วยนะค่ะอันนี้เราดู <ela> เองได้ของการปฏิบัติสมาธิเนี่ยหากว่าทําในช่วงที่มันดึกเกินไปอาจจะเป็นปัญหาด้วยไหมคะอ๋อเออมทำได้ทุกเวลานะพระพุทธเจ้าว่าคือถ้าสมมุติว่าอย่างยุกตัวอย่างเช่นสามารถสังกัปปะความดําริชอบเนี่ยเราคิดเรื่องดีๆเราตรีตรึกเรื่องดีๆ คิดเรื่องเมตตาคิดเรื่องไปทำบุญคิดเรื่องดีของคนนั้นคนนี้พระพุทธเจาบอกว่าความคิดเนี่ยไม่ได้เบียดเบียนตัวเองไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ได้เบียดเบียนใครเลยนะคิดได้ทั้งวันก็ไม่มีโทษคิดได้ทั้งคืนก็ไม่มีโทษคิดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่มีโทษแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่าคือถ้าเราตรตรึกเรื่องนั้นนานเกินไปนักกายก็จะมีความเมื่อยล้าอาจจะไม่อล้าได้อาจจะเป็นประเด็นนี้หรือเปล่าที่ว่ามันดึกเกินไปทําให้กายเราเมื่อยล้าพอกายเมื่อยล้าจิตก็จะอ่อนเพลียนะเพรจิตอ่อนเพลีย ก็จะเฮินหน่างจากสมาธิค่ะอาจจะเป็นประเด็นนี้หรือเปล่าค่ะงั้นก็เท่ากับว่าเราจะต้องพิจารณาดูให้ดีเพลเผอไอ้ที่คิดว่าไม่ดีเนี่ยอาจจะมาถูกทางแล้วแต่เราไม่เข้าใจถูกไหมคะที่ท่านพูดว่าถ้าเราสร้างเหตุดีแล้วไม่มีเหตุที่ไม่ดีอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่าไม่พูดประมาณในบริโภคอยังยินดีด้วยหมูมไม่หลีกเด้นไม่สำรวจอินรีไม่ได้ฟังธรรมสม่าเสมออันเนี้ยถ้ามีเหตุปัจจัย ในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว ม, มันอาจจะเป็นการที่เรามีสติว่องไวมากขึ้นก็ได้ใช่อาจจะเป็นได้อาจจะเป็นได้นะคะก็ต้องสังเกตต้องสังเกตดูให้ดีหน่อยค่ะทีนี้ว่าขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราสังเกตดูว่าเอ้ยจิตเรามันโกรธมากขึ้นจากที่ทํำโกรธสิบครั้งรู้ตัวขึ้นมาเป็นแปครั้งนะขั้นตอนต่อไปนะเรารักษาเหตุตรงนี้ให้ดีอ่ะคือศีล ส, สมาธิปัญญาเรารักษาให้ดีสร้างเหตุปัจจัยให้ถูกต้องแล้ว จากที่รู้ตัวแปดครั้งมันก็จะเริ่มละได้สักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งจากโกรธ10ครั้งรู้ตัวแปดครั้งแล้วก็ละได้สองครั้งะทําต่อไปทําต่อไปไม่ย่อท้อไม่ท้อแท้ท้อถอยสร้างเหตุปัจจัยให้ดีอยู่เรื่อยจากที่โกรธ10ครั้งก็รู้ตัวทั้งหมด10ครั้งละได้สองครั้งก็เพิ่มเป็นละได้สครั้งอย่างนี้ค่ะก็จะรับความห่ามมันก็จะห่างมากขึ้นมันก็จะตี่น้อยลงอย่างเงี้ยก็จะค่อยพัฒนาไปนะคะ ก็พูดถึงเรื่องแบบนี้มันต้องต้องเข้าใจคําสอนแล้วก็จะได้เอามาวิเคราะห์ได้ถูกว่าไอ้ที่เราเป็นอยู่เนี้ยเป็นอย่างไรใช่ใช่ตรงเนี้ยก็จึงหลักหลักการที่พระพุทธเจ้าให้ใช้เลยเนี่ยก็คือเรื่องของอริยสัจสี่เรามาดูตรงส่วนที่เป็นมรกอันนี้ทำให้มากๆเราตรงนี้เป็นหลักเป็นเส้นทางไว้ก่อนถ้า<ม>เราไม่หลุดจากตรงนี้เราพยายามสร้างเหตุให้ถูกต้อง บางทีผลอาจจะไม่ได้เป็นความสุขมันอาจจะไม่ได้อ่ะบางบางทีมันเกิดขึ้นนะค่ะเราก็พยายามรักษาเส้นทางเราไว้ให้ดีนมันอาจจะไม่ได้ความสุขก็ได้เวทนามันมันก็ไม่เที่ยงเนะอย่างที่เราได้พูดกันไปตอ น, นก่อนๆค่ะนะคะพูดถึงเรื่องพูดไปตอนก่อนๆงั้นกำลังจะขอผ่านจากคำถามแรกนี่ไปแล้วนะคะจะผ่านไปถึงคาถามที่สองก็สืบเนื่องจากที่พูดไปแล้วในคราวก่อนๆของเรื่องเกี่ยวกับนา ในกรณีห่วงของวันพืชธมงคลน ะ, นะคะแล้วก็เลยมีท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเกิดประเด็นคำถามตามมาโดยยกว่าสมณะเองก็ต้องไถ่ต้องหวานจึงจะได้บริโภคเช่นกันนะคะได้ฟังรายการเนี่ยที่ได้พูดถึงพุทธพจน์นี้ก็ทำให้นึกถึงนาของจิตนาที่พึ่งภายในเรียกว่าเป็นนาที่เราทุกคนจะต้องทำเพื่อเป็นที่พึ่งให้เกิดขึ้นภายใน แล้วก็วงเล็บภาษาบาลีว่าอนุตรังปุญญาเขตังโลกัสะนะคะเป็นนาที่พระพุทธเจ้าทำมาก่อนท่านสอนท่านวางพื้นฐานไว้ให้เพื่อเกิดเป็นประโยชน์และเพื่อระลึกถึงแก่ผู้นับถือผู้ปฏิบัติท่านสอนให้รู้จักนาบุญตอนนั้นก็เลยคิดจะทำนาของตัวเองศรัทธาเป็นข้อแรกที่สำคัญที่จะนำมาสู่การทานาบุญขอคาอธิบายลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาว่าเป็นเช่นไร นะคะอันนี้เป็นคำถามของ V S Body Slam หนาชื่ออันสมัยมากเลย V S Body Slam ค่ะลักษณะของผู้มีศรัทธาในความหมายของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรคะอันนี้ก็คงจะพูดถึงตอนที่เราได้พูดถึงเรื่องพุชชมงคลใช่ไหมที่เกี่ยวกับการทํานาแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่เราได้พูดถึงว่าต้องมีเริ่มที่ศรัทธา <c oughs> แต่ประนั้นในที่นี้ก็จึงถามว่าเอ๊ะศรัทธาลักษณะของผู้มีศรัทธาเนี่ยเป็นอย่างไรเอาเริ่มจากพระสูตร ท, ทั่วไปพระพุทธเจ้าได้เคยพูดถึงอินทรีย้าเริ่มที่ศรัทธา นะซึ่งอันี้สําคัญมากล่ะทีนี้อะไรจะเป็นเหตุของศรัท ธ, ธาเราจะมาเริ่มต้นตรงนี้ได้อย่างไรนะก็มีพระสูตรหนึ่งที่พูดถึงเรื่องว่าความทุกข์นะเป็นเหตุให้เกิดศรัทธาถ้าเรามีความทุกข์แล้วอันนี้จะทําให้เกิดศรัทธาได้ทีนี้ว่าจุดที่จะมีความทุกข์แล้วจะทําให้หันไปหาศรัทธาได้เนี่ยคุณก็ต้องมีสัมาทิฏฐิมีเพื่อนดีอันนี้จะช่วยทําให้เกิดศรัทธาได้ค่ะทีนี้เรามาทําความเข้าใจกับคําว่าศรัทธานี้สักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นเรื่องทีีี่สําาคัญมกเดยว นัตถาเนี่ยก็คือความมั่นใจ ค, ความลงใจความเชื่อใจในลักษณะนี้ได้เหมือนกันหมดเรามั่นใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันนี้คือศรัทธาทีนี้ไอความมั่นใจเนี่ยที่เกิดขึ้นเช่นว่าเรามั่นใจในคําสอนของพระพุทธเจ้ามั่นใจในคําสอนว่าต้องได้ผลแน่นอนแวความมั่นใจตรงนี้ก็คือศรัทธาในพระธรรมโอเคนะนี่คือความมั่นใจนี้คือศ ร, รัทธาในพระธรรมเรามั่นใจในการตรัสรุปของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรุปแน่นอนที่ใต้ต้นโพนี่แหละฉันไปดูมาแล้ว แตรวจคาร์บอนเทสแล้วต้องมีแน่นอนอันนี้คือศรัทธาในพระพุทธเจ้าคือพุทโธตรงนี้นะหรือว่าการมั่นใจว่าถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งทําแล้วปฏิบัติตามธรรมะเนี่ยต้องได้ดีแน่นอน ต, ต้องไม่หนีจากนี้อันนี้คือศรัทธาในการปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบชอันนี้คือศรัทธาในสงฆ์วมาสงฆ์คือหมู่แห่งผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบตามกรำของพุทธะและก็คือศรัทธา ค, คือความมั่นใจตรงนี้ที่เกิดขึ้นล่ะใครก็ตามที่ปฏิบัติตามธรรมะ คุณก็ออกมาเป็นทรงที่ดีได้เป็นหมู่ที่ดีได้นะแต่เนี้ในความศรัทธาเนี่ยถ้าบอกว่าเกิดจากความรู้อันนี้จะเป็นศรัทธาที่พระพุทธชินหมายถึงในที่นี้แต่ถ้าเกิดจากความไม่รู้นั่นะคืออวิชชาเนี่ยคือคนที่มีความมั่นใจเนี่ยนะเกิดจากอาวิชชาก็ได้นะเช่นมาถ้าคนที่เขาทําไม่ดีเนี่ยเขาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ในการแต่เขายังมีความมั่นใจนะว่าฉันฉันไม่ผิดหรอกฉันไม่ไปตกนรกหรอกถ้าฉันทําอย่างนี้ หลายหลายคนที่ทําไม่ดีก็มีความคิดอย่างเนี้ยอันนี้เป็นความมั่นใจที่ว่าเกิดจากอวิชชา<แ>อันนี้ไม่ใช่ความมั่นใจแบบนี้ไม่ไ ม, ไม่ถูกต้อง mm hmm. แต่ความมั่นใจที่พระพุทธเจ้าให้มีคือความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ความมั่นใจตัวตัวไปความมั่นใจที่ให้มีคือให้มั่นใจในพระธรรมความมั่นใจที่ให้มีคือให้มั่นใจในสงฆ์นั่นคือ<แ>ให้มั่นใจในสามประเด็ดนนี้อันนี้คือศรัทธาที <โ angle. S 1> นะนี้ถามว่าศรัทธาที่จะเกิดขึ้นเอ เราอาศัยความทุกข์เนะี่ยต้องเห็นในลักษณะที่เป็นความทุกข์เห็นเป็นความยากลำบากต้องอาศัยปัญญามากถึงจะเกิดสัตตาตรงนี้ได้แต่คนที่จะเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์ได้เขาต้องมีปัญญาแต่ประนั้นปัญญาก็จึงเป็นตัวช่วยให้เกิดสัตตาปัญญาในที่นี้ก็คือสมาธิติที่อรมาได้พูดไปเมื่อสักครู่ค่ะนะ น, นี่คือในส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเรื่องของปัญญานี้ก็ต้องอาศัยการปลูกนะการมาปลูกเนี่ยหมายความว่าเราต้องค่อยๆพัฒนาให้มันเกิดขึ้นให้มันโตขึ้น โดยให้มีอาหารเลี้ยงอย่างที่ว่าไปค่ะ <Okay. S 1> ทีนี้ในประเด็นที่สามในที่พูดถึงศรัทธานี้พระพุทธเจ้ า, าได้ตรัสไว้ในสุตรภูติสูตร <Okay. S 1> อันนี้มาในอังกุตระนติกายได้พูดถึงลักษณะของผู้มีศรัทธาในานะลักษณะของผู้มีศรัทธาหมายความว่าผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยเขาจะมีลักษณะแบบนี้นะคือคนที่มีศรัทธาเนี่ยเราจะดูได้จากการที่เขาหนึ่งนะมีศีล หนถ้าเขามีศีลรักษาศีลอย่างดีเน <m int> ี่ยแสดงว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจในระดับหนึ่ง <Okay. S 2> มีความมั่นใจในข้อปฏิบัติบ้างมีความมั่นใจในการปฏิบัติบ้างหรือมีความมั่นใจในผู้ที่ปฏิบัติบ้างนั่นคือในธรรมในสงในพุทธนี่คือข้อที่หนึ่งคือมีศีลละเข <Okay. S 2> าถึงได้ทําตรงนี้ในข้อที่สองเราจะดูได้ว่าคนนี้มีศรัทธาหรือไม่หรือดูที่ว่าตัวเรามีศรัทธาหรือไม่ก็ดูที่ข้อที่สองว่ามีสุตตะทรงสุตตะมากหรือไม่แต่ถ้า คุณสั่งสมสุตตะทรงสุตตะอันนี้แสดงว่าเป็นลักษณะของผู้มีศรัทธาได้ค่ะแต่ที่นี้ว่ า, าคือศรัทธาจะทําให้เกิดที่ที่อรมาจะพูดเนี่ยคือมีสิบอย่างนี้นะมีสิบอย่างศรัทธาจะทําให้เกิดสิบอย่างนี้ได้แต่บางทีอย่างอื่นอาจจะทําให้เกิดสิบอย่างนี้ก็ได้นะอย่างในข้อที่สองเนี่ยคนที่ทรงสุตะสั่งสมสุตตะมากแล้วก็เข้าใจดีมีความเห็นที่ถูกต้องในพระสูตรต่างๆ นะที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านะเข้าใจดีด้วยนะค่า <Okay. S 1> นนี้แน่นอนว่าเป็นคนที่มีเหตุมาจากการที่เขามีศรัทธานี่คือข้อที่สองใ <Okay. S 1> นะข้อที่สามในะคนที่มีศรัทธาแล้วเนี่ยเราสามารถดูได้จากการที่เขามีเพื่อนดีนะครบเพื่อนดีมีมิตร ด, ดีมีสหายดี <Okay. S 1> นี่เป็นลักษณะแห่งผู้มีศรัทธาในะลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธามีสหายดีก็คือว่าคนชั่วเนี่ยเราเลิกคบกับเขาไ ป, ไป เพื่อเรามีแต่คนที่ดีนนี่นนนคื อ, อข้อที่สามข้อที่สี่นั้นเป็นคนว่าง่ายว่าง่ายนี่คือหมายถึงว่ายอมรับฟังคําตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นเป็นผู้ที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมะอันเป็นที่ทําให้เป็นคนว่า ง, ง่ายนนี่นคือข้อที่สี่บอกง่ายสอนง่ายนะอดทนรับฟังคําตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นอันนี้เป็นคนที่มีความศรัทธาข้อที่ห้านั้นคือเป็นคนที่ขยันไม่เกียจคร้านสอดสองในกิจต่างๆ คนนี้เขาทาอะไรเราก็ไปช่วยทําครูบาอาจารย์ทำอะไรเราก็ไปช่วยทำําาท ำ, รรทำมีปัญญาพิจารณาในอุบายที่จะทําจัดการทําการงานนั้นให้สําเร็จลุล่วงไปได้พูดง่ายๆก็คือเป็นผู้ที่รับภาระและนี้นน่ก็ที่5ห้า ล, ลักษณะแห่งสตาของผู้ที่มีสัตพาในข้อที่6นั้นก็คือเป็นผู้ที่ใครใ่ต่อธรรมะคนที่มีความใครใ่ต่อธรรมะนี่คือว่าพยายามที่จะปฏิบัติธรรมของตัวเองให้ดี มีความปราโมดมีปีติในธรรมอันที่ยิ่งขึ้นไปค่ะนี้นคือข้อที่หส่วนในข้อที่7นั้นเป็นผู้ที่มีความเพีย่ย น, นเพื่อที่จะละอกุศลเจริญกุศล น, นี่คือลักษณะของสัมมาวายามะค่ะใ น, นข้อที่7็มีความเพี่ยนก็คือการทําจริงแน่แน่จริงในธรรมข้อต่างๆในข้อที่แปนั้นคือมีฌานสีแได้ฌานทั้งสี่ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากแต่ตัวเองเนี่ยก็ปฏิบัติสมาธิด้วยเพราะฉะนั้น ผลของการที่มีศรัทธาทําให้เกิดความเพียนในการปฏิบัติก็จะมีสมาธิ่นนในขั้นใดขั้นหนึ่งในสี่ขั้นนี้ยิ่งถ้ามีศรัทธามากสมาธิที่ได้ก็จะต้องลึกคือถ้าคนที่มีสมาธิลึกเป็นสัมาสมาธิแล้วแสดงถึงความที่เขามีศรัทธามากแน่นอนค่ะส่วนข้อที่9และข้อที่10นั้นเป็นเรื่องของปัญญาในส่วนที่พระพุทธเจ้าได้พูดถึงบุเพนิวาสานุสติยานกับจุตูปปาตยาน บูเพนิวาสานุสติยานก็คือการระลึกถึงชาติก่อนพบก่อนได้มากเป็นอเนกได้ชาติหนึ่งบ้าง2ชาติบ้างก็วาไปอันนี้ก็คือเหมือนกับวิชาแรกมั่งวิชาที่หนึ่งที่พระพรุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็ในข้อที่1ิก้คือจุตูปปา ร, ปรยานรู้ว่าสัตว์จะไปเกิดที่ไหนตามกรคำดีคำชั่วที่เตืเอนได้ทํามาก็คือมีความรู้พิเศษนั่นเองในเรื่องของปัญญาเกิดขึ้นประเด็นตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าเป็นโครงสร้างเดียวกันกันกบเรื่องของอินทรี่ห้นะคุณหยงเติว แตนะถ้าเริ่มจากศรัทธาแล้วคุณก็จะมีวิริยะคือความเพียรมีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาเนะีตรงนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้ามาแยกแจกแจงให้นะว่าไอ้ที่วิริยะเนี่ยก็อุปนิพออกลลมาเป็นศีลเป็นการสังสมสุตตามีเพื่อนดีว่าง่ายขยันไม่เกียจคร้านนะมีสติแล้วนะก็จะทําให้เกิดฌานสีเป็นสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นได้แลนะก็จะสอดคล้อง ก, กันกับเรื่องขัน เ, เรื่องของอินทรีย์ทั้งหค่ะนะคะคือลักษณะผู้มีศรัทธาถ้าตามคําสอนของพระศาสดาแล้วก็ต้องเป็นไปในทางนี้ใช่คือมีซีนทรงสุด ต, ตะคบเพื่อนดีสหายดีท่านาคะคาว่าคบเพื่อนดีสหายดีเนี่ยบางครั้งดิฉันฟังธรรมพระพุทธองค์งเดี๋ยวงงใจว่าทรงพูดถึงมักแปดอืมใช่แล้วในที่นี้หมายถึงเพื่อนที่เป็นคนหรือเพื่อนที่เป็นมักแปดเอ่ก็ทั้งสามนัยยะ นั่นคือหนึ่งอาจจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนราเป็นหัวดําำเป็นคารวาสนี่แหละนี่คือกรณีที่หนึ่งหรือกรณีที่สองเราอาจจะเอาครูบาอาจารย์หรือเอาพระพุทธเจ้าเป็นเป็นกัลยาณมิตรได้ค่ะแล้วในกรณีที่สามก็คือเอาธรรมะที่เป็นมรรคแปดเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรก็ได้ได้ทั้งสามนัยยะเลยอ๋อค่ะแต่ต้องมีเพื่อนดีสหายดีอยู่ในกรอบสามนัยยะนี้ใช่นะคะแล้วก็ต้องเป็นคนว่าง่ายอืว่าง่ายนี่หมายความขนาดไหนหมายความว่า ไม่ว่ายากไม่เป็นคนเก้ อ, อยากแต่คือคือพระพุทธเจ้าอธิบายว่าพร้อมจะฟังคําสอนใช่รับฟังคําตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นใช้คํานี้เลยนะคะใช่อดทนน่ะอดทนต่อความ ต, ต, ตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นค่ะแล้วก็ต้องประกอบด้วยเหตุที่ทําให้เป็นคนบ้า ง, ง่ายเช่นมีทิฏฐิที่ถูกต้องเช่นมีการที่เอาใจใส่ดูแล เพื่อนพิสูจน์ด้วยการเห็นตอกเห็นใจกันอย่างนี้เป็นต้นค่ะขยันไม่เกียจค้านอืมขยันไม่เกียจค้านนี่ก็คือการรับภาระในการงานที่ควรจะต้องทำเช่นวันไหนวัดเขามีกิจกรรมทําอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ไปช่วยจัดแกนทําให้มันเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่คือรับภาระต้องเป็นขยันในกิจการที่เกี่ยวกับธรรมะด้วยไหมคะเอะนั้นจะเป็นข้อที่ข้อถัดมาในข้อที่เจ็ดที่ว่ามีความเพียรละอกุศลเจริญกุศล อ๋อเหรอคะใชถึงจะอันนี้เท่ากับว่าขยันเรื่องทั่วๆไปที่ควรทํานะแมอ่าใช่เรื่องทางภายนอกอ่ะบางเงาเดอะค่ะอืครัยต่อธรรมะก็คือว่าจิตใจฝักใฝ่ในเรื่องธรรมเรื่องวินัยในเรื่องธรรมค่ะใช่เพียรละอกุศลเจริญกุศลเป็นสัมมาวายามะใช่อันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับธรรมะละเรื่องในใจละค่ะได้ฌานทั้งสี่โดยไม่ยากคือเมื่อปฏิบัติแล้วได้ปฐมปฐมฌานอ่าจนถึงจตุฌานค่ะ สุติยะติติยะจตุถะฌ า, านฌานฌานฌ า, านสมาธิฌานสมาธิจตุถะฌานแต่ญาณ น, นี่คือข้อที่เก้าและข้อที่สิบเป็นญาณเป็นความรู้เป็นปัญญาค่ะนั่นคือญาณที่สิบจะจุจตูป ป, า, ปาและญาณที่เก้าเลยนะคะบุเพเณรมาสานุสติญาณก็คือต้องระลึกชาติได้ระลึกถึงชาติก่อนภพก่อนได้โดยหลายอเนกปริยายอันนี้คือลักษณะของผู้มีศรัทธานะ ลักษณะแห่งศรัทธาพุทธเจ้าี้่ไหมนั้นถ้าคนที่ไม่เคยเห็นอคนที่ไม่เคยเห็นอ่าระลึกชาตินี่ก็เท่ากับว่าศรัทธายังไม่ดีอย่างไรค่ะก็จะดีไม่เท่ากับคนที่เขาทาได้อเอาเอาใหม่นะสมมุติถ้าสิบข้อนี้นะในสิบข้อนี้เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบคนที่ได้แค่หนึ่งหรือสองข้อค่ะคนที่ได้แค่หนึ่งหรือสองข้อเนี่ยศรัทธาเขาไม่เท่ากับคนที่ได้ทั้งสิบข้อแน่นอนค่ะโอเคนะทีนี้ถามว่าถ้าสมมติได้สองข้อเท่ากันแต่ข้อไหนล่ะ เราก็ต้องมาดูรายละเอียดแล้วข้อนั้นๆเนี่ยมีรายละเอียดแบบว่ามันก็ต้องมีดีกรีที่ไม่เท่ากันอีกนะอย่างเช่นคนว่าง่ายแต่คนว่าง่ายแบบง่ายๆนิดนึงกับคนว่าง่ายแบบไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่มันก็จะมีคือมันก็จะมีดีกรีในในแต่ละข้ออีกเหมือนกันอ่ะค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเราพูดถึงการระลึกชาติก่อนพบก่อนได้บางคนอาจจะระลึกได้แค่สิบชาติคบางคนอาจจะระลึกได้อเนกอเนกคือหมายถึงว่าได้แบบนับชาติไม่ท้วน S <S <S มันก็อาจจะเรื่องได้นับชาไม่ท้วนแต่ว่ารู้ไม่ละเอียดมันก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันบีน <S 2> <S 2> คือคือเราจะดูเกณฑ์ในการวัดตรงนี้เนี่ยเราดูดน้านที่ว่าถ้าเขามีศรัทธามีความมั่นใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยการทุ่มเทในการปฏริบัติของเขาจะมากเต็มที่ใช่ไ่ะพอมากเต็มที่หรือไม่มากเต็มที่อันเป็นผลของศรัทธาที่เขามีทําให้ผลที่เกิดขึ้นเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาออกมาได้ไม่เท่ากันค่ะ อันนี้มันจึงกลับมาตรงจุดที่ว่าเป็นการปฏิบัติมันก็จะมาสอดคล้องกับเรื่องของอินทรี่ห้าว่าคูณมีศรัทธาแล้วคุณจะมีการทําจริงแน่แน่จริงค่ะแต่การทําจริงแน่แน่จริงคุณระดับไหนอ่ะถ้ามาก ค, คุณก็ทําให้ถึงนู่นเลยปัญญาได้ออกมามากแตถ้าน้อยก็จะออกมาแถวแถวศีล ส, สมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็น<อ>ลักษณะแห่งศรัทธาก็คือดูผลของการปฏิบัติของบุคคล น, นั้นได้เลยค่ะออืก็เท่ากับว่าคุณ วีสบอดี้แลมกัลยาณมิตรเนี่ยนะคะจะต้องพยายามทำในสิ่งเหล่านี้ถึงจะทำนาของตัวเองได้ผลดีอย่างนั้นไหมคะในที่นี้ที่หมายถึงที่บริชาพูดถึงอนุตรังบุญญาเกตังโลกะสะเนี่ยคือหมายถึงว่านาบุญนาบุญบุญญาเกตังเนี่ยคือเขตแห่งบุญที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าในโลกนี้เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญเด่นยิ่งไปกว่าก็คือหมายความว่าถ้าคุณมีการให้ทานในานาแบบนี้ ใ น, นในบุคคลแบบนี้เนี่ยที่พระพุทธเจ้ายกอุ ป, ปมาอุปไมยเหมือนกับคุณเอาเมล็ดข้าวไปหว่านในานาใช่ไหมถ้าเป็นนาดีเนี่ยผลที่ออกมาก็จะได้ดีเปรียบเหมือนกับคนที่ไปทําบุญด้วยการให้สิ่งของถ้าเอาไปให้สิ่งของในบุคคลประเภทนี้ผลที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นบุญที่มากนะจึงเปรียบเ ท, ทียบ ว, ว่าบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเป็นนาบุญของโลกลเป็นนาบุญของโลกทีนี้ถ้าบอกว่า การที่เราปฏิบัติธรรมให้เรามีสีสันที่ปัญญาเราก็จะเป็นนาบุญของโลกได้เหมือนกันนันาบุญของโลกทีนี้ในเนยะที่เราพูดกันในวันนั้นก็คือว่าเราทำนาเนี่ยเพื่อที่จะให้อมตะเป็นผ ล, ละมีอมตะเป็นผลอันนี้ก็คือจะเป็นการปฏิบัติของตัวเราเองนปฏิบัติให้ดีมันก็จะมีอมตะออกมาเป็นผลได้แล้วกใ็ในเรื่องของการปฏิบัตินี้นก็จะความที่มีศรัทธา น, น, นั่นเองถ้าเรามีความมั่นใจ มีความลงใจว่าวิธีการเนี้ได้ผลแน่นอนเราก็จะทุ่มไปปฏิบัติเต็มที่นั่นเองค่ะอ<ม>ืเป็นเรื่องที่ดิฉัคิดว่าถ้าจะจับหลักเนี่ยก็คือว่าต้องเป็นในลักษณะที่ท่านเคยกล่าวมาแล้วว่าคําสอนของผู้เจ้าเนี่ยถ้าไม่ได้เน้นให้เราศึกษาแบบศึกษาเฉยๆแต่ต้องเป็นสึกษาศึกษาด้วยการปฏิบัติใช่คือคําว่าศึกขานี่แหละค่ะ ซ, ซึ่งรวมแล้วเนี่ยถ้าสิบข้อเนี้ยจะว่าไปว่าก็คือ รายละเอียดของสิกขาไหมคะใช่ใช่เราจะเขาโครงก็จะเป็นศีลสมาธิปัญญาแล้วตรงนีนะะ้เริ่มข้อหนึ่งด้วยศีลเลยใช่ไหมมาข้อที่ศีลนี่ก็รายละเอียดแยกกันไปสองสามสีหกเจ็ดและ8ปดนี่คือสมาธิและเก้าและสิบเป็นปัญญา ค, คือถ้าเราอยากได้ผลเลิศเราก็ต้องทำมากชทำให้ถูกทำแบบทุ่มเททำแบบเต็มหัวใจทำแบบไม่กังขา ทำแบบไม่ท้อถอยนี่นี่คือคนที่มีศรัทธาดิฉันกำลังได้ยินเพื่อนอยู่ท่านหนึ่งนะคะก็อายุหกสิบปีเนี้ยแล้วก็บอกว่าตอนเนี้ยเดินหน้าอย่างเดียวเลยทำจริงทำจังทำทุกเวลานาทีในระวังอะไรก็แล้วแต่ก็จะพยายามที่จะทิ้งความคิดไปเรื่อยๆอ ม, มุ่งมั่น ดีดีดีแต่ทีนี้การการปฏิบัติก็ต้องอยู่ในแนวทางนะอยู่ในแนวทางค่ะก็หวังว่าน่าที่จะได้ประโยชน์ไปทั้งกับตัวผู้ตั้งคำถามเองแล้วก็ผู้ที่ฟังอยู่ดิฉันได้เห็นบทสนทนาของการที่เหมือนกับเป็นคนที่สนใจธรรมะเนี่ยแล้วก็เข้าใจว่าคำสอนของพระศาสดาสอนไว้อย่างไร ก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมครูบาอาจารย์บางรูปเนี่ยยังพูดในสิ่งที่พระพุทธองค์ไม่ให้พูดเช่นไม่ให้พยากรณคนนั้นคนนี้เนี่ยนะคะมันก็เกิดการ อ, าอาธิบายกันคนหนึ่งก็อธิบายบอกว่าแต่ละคนเนี่ยครูบาอาจารย์นั่นก็มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม เป็นของตัวท่านเองอือนะฮะเราก็มีหน้าที่ทําของเราเดชังก็ไม่รู้ว่าเป็นคําอธิบายที่ถูกหรือเปล่าแต่ก็ไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะแล้วทำไมผู้ที่รู้จึงไม่เตือนผู้ใกล้ชิดที่เป็นผู้ที่ทําในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ให้ทำอ๋อก็คือในในข้อปฏิบัติเนี่ยคือพระสงฆ์เนี่ยบางทีก็ยังปฏิบัติในข้อปฏิบัติทางคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้หมดแต่จึงจึงบวชมาแหละเพื่อที่จะ มีโอกาสในการปฏิบัติได้เต็มที่ทีนี้ในกา ร, รบวชมาที่มีโอกาสในการปฏิบัติได้เต็มที่ก็อาจจะยังปฏิบัติได้ไม่เต็มที่อาจจะยังปฏิบัติได้ไม่ถึงผลเท่าที่เราจะเห็นแล้วมันจะเป็นความที่ความงามได้น ะ, ะพเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องดูเป็นขั้นเป็นตอนไปว่าไอ้นั้ น, น, นคืออะไรแต่ถ้าเผือว่าเป็นความผิดในลักษณะที่ให้ขาดจากความเป็นพระอันนี้ก็ต้องขาดไปตกไปใช่ไหมถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นมันก็จะมีข้อความผิดอะไรที่แก้ไขได้ค่อยๆปรับปรุงไป ค่ะเช่นยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นอ่าถ้าพระภิกษุรูปนั้นเนี่ยท่านจะคอยพยากรคนนั้นคนนี้ว่าได้เป็นอริยบุคคลในระดับต่างๆออืแล้วก็ผู้ที่สงสัยก็เหมือนกับรู้มาอย่างนึ่ว่าพระพุทธองค์ไม่ให้เป็นพยากรใครอืออย่างเนี้ยค่ะอะเราเนี่ยสมมุติว่าเราเราเรา เ, เราศึกษามาอย่างเงี้ยเราจะไปบอกท่านหรือเราจะไป ถามท่านว่าท่านรู้หรือเปล่า<อ>เราควรจะมีท่าทีอย่างไรจึงจะถูกต้องแล้วก็ไม่ทําให้เราคลาดเคลื่อนบกพร่องจากการที่พยายามอยู่ในมาร์คะท่านครับอในกรณีถ้าผมว่าสามารถพอบอกกันได้ถ้าพอบอกกันได้ก็ก็บอกกันดีเพรา ะ, ะว่าในในหมู่คณะในสงฆ์ในหมู่ของพระพุทาในสังคมเนี่ยจะดีกันขึ้นมาได้ก็ด้วยการตักเตือนซึ่งกันและกันอันนี้ถ้าบอกได้อยู่ในฐานะที่บอกได้ก็บอกได้แต่ีนี้ถ้า<อ>เราไม่ได้อยู่ในฐานะ ที่บอกได้เราก็ก็คือถ้าบอกไปแล้วเนี่ยเราจะทําให้เกิดความขัดเคืองใจเกิดขึ้นในความ ข, ขัดเคืองเนี่ย จ, จะเกิดขึ้นที่ท่านหรื อ, อ จ, จะเกิดขึ้นที่เราพู้รู้จักให้คิดว่าเออความขัดเคืองนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ให้เห็นการที่ท่านจะพ้นจากความผิดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญกว่ า, า, าก็ให้บอกซะแต่ทีนี้ถ้าบอกว่าบอกไปแล้วท่านจะเกิดความขัดเคืองขึ้นอย่างมากจะเกิดความขัดเคืองขึ้นอย่างมากเราให้หาวิธีในการที่จะบอกให้เลี่ยงไป แั่นคือคือข้อที่หนึ่งก่อนนะข้อที่1บอกได้คือให้บอกเลยแล้วข้อที่สองถ้าบอกแล้วจะมีความขัดเคืองแต่ให้เห็นว่าความขัดเคืองที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเ ล, ล็กเราให้บอกซะนี่ข้อที่สองข้อที่สามถ้าเห็นว่าขัดเคืองแล้วจะเกิดขึ้นอย่างมากก็ให้เปลี่ยนวิธีการให้คิดหาวิธีการในการที่จะบอกให้ได้นี่ข้อที่สามนะแต่ข้อที่4เนี่ยถ้าบอกว่าแบบทิฐินี้มันแก้ไขไม่ได้อะ่ะบอกไปแล้วก็ยังจะผิดอยู่แล้วก็ให้วางอุเบกขาซะมันจะมาจบไปที่ข้อที่4ตรงนี้ แล้วก็หันมาปฏิบัติที่ตัวเราเองอย่ากับพู้ที่ดิฉันยกตัวอย่างอย่างนั้นไหมคะอถูกต้องถูกต้องเพราะว่าดิฉัว่าบางเรื่องเนี่ยบางทีมันก็ดีคือดีทั้งสองฝ่ายนะฝ่ายนึงก็ปฏิบัติดีแต่อีกฝ่ายนึงก็เห็นว่าปฏิบัติดีนะแต่ดูเหมือนก็มันคลาดเคลื่อนนะจากไอ้ที่เราศึกษามาแล้วเราก็ไม่รู้จะบอกยังไงก็มีความรู้สึกเออเราผิดด้วยว่าเราไม่รักษาความถูกต้อง อันนี้เรากําลังทําผิดอยู่หรือไม่คือถ้าเราจะรักษาความถูกต้องในะคุณโยมแต่บางคนเนี่ยพยายามที่จะรักษาความถูกต้องด้วยเหตุผลที่ผิดค่ะเอาใหมนะคนที่พยายามรักษาความถูกต้องด้วยเหตุผลที่ผิดเนี่ยบางทีการกระทำตรงนั้นมันไม่ได้เกิดประโยชน์ถามว่าอะไรคือความถูกต้องในโลกนี้ค่ะอ่ามันมั น, ม, นมันพูดยากนะเพราะ บ, บางทีไอ้ที่ขาวมันกรณีหนึ่งมันกลับดำอะถ้าในกรณีนี้เราจะเอาทําวินัยเป็นหลักนะทำให้วินัยบางทีก็มีข้อยกเวน้น พระพุจ้าเองก็ยังยกเว้นอยู่หลายกรณีโอเคนะอันนี้มันเป็นเรื่องของส ม, มุติโลกอยู่แล้วทีนี้ถ้าเราพยายามทําสิ่งถูกด้วยเหตุผลที่ผิดคือเรื่องของราคาโทสะโมหะอันนี้มันผิดค่ะเอาไหม่นะถ้าเราพยายามสิ่งถูกทําสิ่งถูกในที่นี้คือการปฏิบัติตามตามวินัยด้วยเหตุผลของราคาโทสะโมหะว่าท่านผิดฉันถูกตรงนี้มันไม่ใช่อย่างนี้คือด้วยทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วราคาโทสะโมหะมันจะเกิดเกิดมากขึ้นจะมีความแตกกันของหมู่เกิดขึ้น ด้วยเหตุผลที่ผิดนะอันเนี้ยมันก็ไม่ถูกอ่ะนะแต่เหตุผลที่ถูกคืออะไระเพื่อการดํารงอยู่ของหมู่สงเพื่อความสามัคคีของหมู่อันนี้เป็นเหตุผลที่ถูกนะเพื่อความคมขีผู้เก้อยากเพื่อวความที่จะเป็นอยู่เป็นสุขของผู้ที่ปฏิบัติดีอันนี้เป็นเหตุผลที่ถูกแล้วนะก็เป็นเหตุผลเดียวกันกันกบที่ประพรุทาบัญญัติทํามวินัยขึ้นมาอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นคือในตรงนี้อมาก็อยากจะให้มองว่ า, าก็อาจจะดูเป็นกลางๆนะในเราพ่อบอกได้ก็บอก ในที่เกินฐนานะเราก็ดูให้ดีแล้วก็น้อมมาสู่ตัวเองว่าเออให้นี่เป็นเครื่องขุดกล่าวซาะแน่นอนบางทีมันก็จะมีที่ผิดบ้างถูกบ้างแล้วก็ปฏิบัติของเราให้ถูกกแล้วกันค่ะเนพนนะคะงั้นก็เป็นอันว่าได้ใช้เวลากันมาเกือบครบเลยคะ่ะท่านคะเดือนพันธ์คงต้อง ลาท่านหุนหั ว, หวเลยล่ะกราบนมสักการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งคะ่ะนมสักการคะ่ะท่านฝักคาและนั่นก็คือพระมหาภายบยรณ์อภิปุโ น, โนนะคะจากวัดป่าดอนายโซจังหวัดอุดรธานีซึ่งรายการนี้ชื่อรายการสรนสนีสนทนาดิฉันสรนสีหน้าคงนะคะมาสนทนาธรรมกับพระมหาภัยบู์เพื่อให้ยามเช้าของพวกเราทุกคนนั้นได้มีสิ่งที่มีคุณค่านะคะได้เอาไปใช้เป็นการทำศิษฐ์ขา คือเรียนรู้แล้วนำไปสู่การปฏิบัตินี่คือวิธีการศึกษาธรรมะของพระศ า, าสดา ค, ค่ะเราก็ติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่นะคะสัปดาห์หน้าท่านพิบูรเนี่ยจัดตั้งแต่วันจันทร์ละแต่ว่าดิฉันจะมาสนทนากับท่านวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์สัปดาห์ละสวันติดตามรับฟังรายการกันในวันสัปดาห์หน้าและวันนี้พุธสวัสดีค่ะ